ใหม่ที่หลวงพ่อเขียนบวใหม่ตอนนั้นน่ะถ้าอยู่หลวงพ่อเทียนแล้วท่านก็ไปอยู่กุฏิที่ไกลลิบเลยกุฏิหลวงพ่อเนี่ยมีหลังคาไม่มีฝาไม่มีเตียงคือสมัยนั้นหลวงพ่อเทียนที่วัดคงยากจนน่ะเลยขาดนู่นขาดนี่แต่หลวงพ่อก็ชอบปีกวิเวกไงแล้วตอนนั้นก็มี คนถูกฆ่าตายคนร้ายหลวงพ่อก็ไปดูศพที่เขาฆ่าแหละกว่าตำรวจจะมาก็ศพก็เน่าเหม็นแล้วชาวบ้านเอาศพใส่โลงแต่โลงเนี่ยเป็นแผ่นไม้ตะแบกกันดีเลยหลวงพ่อเห็นก็อยากได้กะเอามาทำเตียงเอาให้ปู่นอน ที่ขอชาวบ้านชาวบ้านก็ให้หลังจากเอาศพลงหลุมแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เอาไม้ตะแบกเลยอะฝาโลไม้ตะแบกเอาไปขัดไปล้างแต่มันเหม็นมากนะแช่น้ำล้างเลยเป็นเดือนเลยหลวงพ่อก็เอามานอนที่กุฏิอะแหละอากาศก็ชื้นเวลานอนที่ไรก็เหม็นพอเป็นที่ไรหลวงพ่อคิดถึงศพตลอด แล้วมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อก่อนจะนอนเนี่ยก็ได้กินเหม็นพอกินเหม็นหลวงพ่อคิดถึงศพที่ตายคิดไปคิดมาเลอกศพจนหลับเผอหลับไปพอหลับไปเกิดนิมิตหรือความฝันนั่แหละคือในฝันเนี่ยศพก็กิ้งไปหาหลวงพ่อในฝันหลวงพ่อในฝันหลวงพ่อรู้ตัวนะก็าสวดคาถาสู้เพราะหลวงพ่อหมอทํา ไอ้โศกักกิ้งออกไปพอลุงพ่ออยู่สวดโศกักกิ้งมาหาหลวงพ่ออหลวงพ่อสวดบนต่อคือเดี๋ยวหลวงพ่อหยุดเมื่อไหร่โศกวักกิ้งออกกิ้งข้าวอยู่งั้นนะจนหลวงพ่อเหนื่อยพอเหนื่อยหลวงพ่อตื่นตื่นขึ้นมากินเหม็นก็ยังไม่หายหลวงพ่อจึงเอ๊ะเราเป็นพักกลับมาทานอะไรเนี่ยหัวผีหลวงพ่อก็เลยยกมือซ้างขึ้นรูตัว แล้วตั้งแต่วันนั้นหลวงพ่อก็เลิกกลัวผีอีกเลยคือความกลัวมันมาทําให้หลวงพ่อหายกลัวมันมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นเนี่ยหน้าหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอากาศหนาวมากก็มีผู้หญิงออกลูกตายหลวงพ่อออกมาดูนะตอนนั้นฟานตีหนึ่งเขาก็รลืว่าผีดูนะผีแม่ลูกอ่อนเนี่ะ ศพชาวบ้านเผาอยู่แถวหน้าวัดนั่นแหละแต่เผากันเองคงยังง่ายๆไม่ได้มีเมนไม่มีอะไรเห็นว่านี่แป้งมีอะไรแบบตามพิธีของชาวบ้านเน่ยหลวงพ่อก็ไม่มีไฟฉายนะลึกๆแล้วหลวงพ่อกลัวผีนะไม่ใช่ไม่กลัวแต่หลวงพ่อมีความกล้าไอ้กล้ากลัวอยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะแต่ความกล้ามากความกลัวก็เลยเดินมาไปทั้งไม่ีไม่มีไฟฉายไปถึงใกล้ ก็เห็นเงาตะคุ้มตะคุ่มสีขาวขาใหญ่มากหลวงพ่อโอ๊ยผีเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอนี่ถ้าเกิดสู้กันอะผีฆ่าเราแน่เลยแต่วท่านก็คิดต่อไวว่าเอาวะเป็นใครเป็นกันถ้าผีจะฆ่าพัดตายเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์เราคนแรกก็เลยเดินเข้าไปพอใกล้ๆก็เจอผีแหละคือไยไฟเผือก ตัวบลเลอร์เลยคือควายเขาไม่ได้เข้าคอกไงเขามาอยู่ใกล้เมนใกล้ที่เขาโศกกันแหละหลวงพ่อเาะถือบางอ้อแล้วโอ้ผีอยู่นี่เองควากลัวทําให้มาเจอเกือบเจอผีไงแต่หลวงพ่อก็ใส่ความกลัวนะเอามาสอนทําให้ตัวเองถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยควากลัวหลวงพ่อก็ไม่หายไปเอาความกลัวมาสอนทําให้หายกลัวเอาแล้วฉวยโอกาสให้เป็นประโยชน์ ธรมหลวงพ่อเขียนมีอีกมากมายอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเล่าไปแล้วอัดมาคงเล่าแค่เรื่องนี้เล่าแค่เรื่องผีแค่นี้แหละเพราะว่าจะเล่าเรื่องอื่นต่อตอนแรกก็ครูอาจารย์จอมจะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ตอนเที่ยงคืนน่ะก็สะดุ้งเมื่ออาจารย์จอมบอกว่าจะมาพูดเรื่องผีหลวงพ่อเจอผีเอ๊ยจะมาวิ่งมาเรื่องที่เราจะพูดไหมเนี่ยแต่รอดวอาจารย์จอมไม่มาใกล้เลยคือผีคนละอย่างอะต่อมาเรื่องต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่ง เธอชื่อว่าจุ๊บแจงจุ๊บแจงนั่งคอยผลักกับประธานอาหารเย็นเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานเมื่อก่อนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยสามีของเธอเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันมากไม่ห่างเอาอกาใจกันพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะมีทะเลาะกันบ้างอยู่ห่างกันบ้างต่างคนต่างยุ่งงานตัวเองไม่มีเวลาออกาใจกันวันนี้ เธอก็มารอสามีเพื่อจะดูว่าสามีรักเธอเหมือนเดิม้อไหมวันแต่งงานเนี่ยสำคัญรอจนมืดจนมืดน่ะสามีเปิดประตูเข้ามาในสภาพที่อาจจะเหนื่อยล้ามอมแมมในมือก็มีช่อลอกไม้ช่อใหญ่มาด้วยเธอก็มีความสุขอ่ะคืออย่างน้อยสามีก็ไม่ลืมันแต่งงานของเราแล้วก็พูดอาหาร่วมกัน เปิดแชมเปญคือบรรยากาศเนี่ยคลาสสิกมากบรรยากาศแบบโรแมนติกสักพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจุบแจงก็ไปรับโทรศัพท์ที่นี่ใช่ใ <น S 2> บ้านคุณนั ย, น<า>ยหรือเปล่าคะเสียงโทรไปโทรจากโรงพยาบาลคุณนัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วถูกรถชนขอให้ทางบ้านเนี่ยมาดูศพด้วยจุบแจงก็งงบอกว่างงคุณนายยังไม่เสียชีวิตนะยังอยู่ แล้วมีการเข้าใจผิดหรือเปล่าทางพยาบาลก็บอกไม่เข้าใจผิดหรอกคุณไา้รถชนตายทางทางโรงพยาบาลช่วยสุดชีวิตแล้วแต่ช่วยไม่ได้ก็ขอให้ทางบ้านมาดูศพด้วยแจ้ก็เริ่มปุงแต่งแล้วเพราะเคยได้ยินมาว่าคนที่ตายกระดาหารไม่รู้ตัวเนี่ยจะกลับมาหาคนรักไปท้าสุดท้ายแล้วก็จากไปตอนนี้มองไปที่โต๊ะอาหาร อ้าสามีไม่อยู่แล้วแจงก็ร้องเสียงดังแล้วก็เกือบกิ้งไปบนพื้นนั่นแหละเสียใจที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำผิดทำพลาดเคยทะเลาะเบาแหวงเรื่องไร้สาระถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะขอดีกับสามีให้ดีที่สุดสักพักหนึ่งก็ได้เสียงกุ๊กักปุ๊กักจากห้องน้ำ ก็เป็นสามีของเธอแล้วแหละเปิดประตูบารันายนก็บอกว่าที่รักเรามาทานอาหารกันต่อเถอะผมลืมบอกคุณไปว่ากระเป๋าตังค์ผมโดนล้วงที่หน้าร้านดอกไม้เรื่องนี้ก็จบอันนี้เป็นอารมณ์ที่แบบดาม่านะคือว่าเดี๋ยวมีทุกอารมณ์อหะท่านพวกโยมก็ต้องหัดรู้สึกตัวนะจะได้ ไม่อินกับอารมณ์ถ้าไม่รู้ือโดนแน่เพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีจิตใจอ่อนไหวคุงแต่งที่ตัวเองอันนี้คืออารมณ์ของความรักแต่ต่อไปจะพาไปหาอีกอารมณ์หนึ่งมีลูกศิษ์ถามอาจารย์เซนว่าอะไรน่ากลัวที่สุดในโลกอาจารย์เซนตอบว่าความอยากลูกศิษฐ์ก็ไม่เชื่อเอะความอยากมันจะน่ากลัวที่สุดในโลกได้ยังไง อาจารย์เซนก็ต้องเล่าดิษฐานให้ฟังอยกแล้วเพื่อให้หายคล้องใจมีชาวนาคนหนึ่งอยากได้ที่ดินเป็นของตัวเองจึงไปเที่ยวหาซื้อที่ดินก็ไปเจอคนขายที่ดินอยู่แห่งหนึ่งถามราคาว่าจะซื้อที่ดินจะขายยังไงพอค้าที่ดิน เขาบอกว่าคิดราคาผัดดำนึงแต่มีเงื่อนไขนะว่าถ้าคุณเนี่ยเดินตั้งแต่พาร์ที่ขึ้นเนี่ยแล้ววนรอบที่ดินได้มากเท่าไหร่เนี่ยจนถึงพาร์ที่ตกดินเนี่ยที่ดินทั้งหมดจะไปของคุณแต่ถ้าพารที่ตกดินแล้วคุณยังกลับมาไม่ถึงจุดเริ่มต้นเนี่ย คุณจะไม่ได้ที่ดินเลยแม้แต่ตารางนี้เดียวอันนี้คือเงื่อนไขชาวนาคิดตพักหนึ่งโอ้โหเงื่อนไขนี้เราได้เปรียบแล้วเนี่ยจึงทำสัญญาตกลงทันทีลุกอรุณของวันใหม่ชาวนาก็ตั้งใจจะเดินให้ไกลที่สุดเพื่อจะได้ที่ดินมากที่สุดจึงรีบเดินเลยตั้งแต่จุดสตาร์ท เดินแล้วเดินบนโดยคิดว่าวันนี้ยอมเหนื่อยอ่ะไม่กินน้ำไม่กินข้าวเพราะถ้ากินเน่ะเดี๋ยวมันจะทำให้ได้ดินน้อยไงก็เดินสักไกลรีบเลยสุนลูกหูลกตาจนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็เริ่มเย็นละชาวนาก็กลัวกลับจุดชะตาไม่ทันไงก็เลยรีบจำเอาจำเอา พอถ้าเกิดมาไม่ถึงเนี่ยจะอดที่ดินนะไปรีบใหญ่เลยแต่ด้วยความที่อ่อนล้าใช้พลังไปเยอะข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินถึงที่สุดเหลือสองเก้าจะถึงจุดสตาร์ทชาวนาก็หมดแรงแล้วก็ล้มลงแต่ด้วยสายชัยานี่กายเอามือไปแตะเส้นชัยนะว่าถึงแล้วแล้วก็จากโลกนี้ไปเลยไม่กลับไปอีก เรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่าชาวนาชนะได้ที่ดิดตามเงื่อนไขแต่ตัวเองตายแล้วอ่ะก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้ใช้ไงคือคนตายอ่ะจะไม่มีโอกาสได้ใช้ได้ยงไงถ้าเราสังเกตชีวิตของคนเราเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเหมือนกับชาวนาซื้อที่ดินนั่นแหละเศรษฐีบางคนเนี่ยหาเงินอย่างเดียวตลอดชีวิต แต่ไม่คิดจะใช้เลยใช้ชีวิตแบบอุดอย่างเที่ยวก็ไม่ค่อยได้เที่ยวทำบุญก็ไม่ค่อยได้ทำบุญต้องการจะรวยมากๆรวยแล้วก็ไม่พออย่างมีคนถามองดัลลามะว่าท่านรู้สึกแปลกใจอะไรกับมวลมุสยชาติท่านก็ตอบว่ารู้สึกแปลกใจที่มนุษย์เนี่ย ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อที่จะได้เกินมาและยอมสูญเสียเงินตาเพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพเฝ้าวิตกกังวลกับอนาคตจนไม่มีความลื่นลมอยู่กับปัจจุบันผลก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่กับอนาคตแล้วก็อยู่ปัจจุบันเขาใช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะไม่อยู่วันตายแล้วเขาก็ตายไปเหมือนกับไม่มีชีอยู่จริง อันนี้ก็เป็นแง่ที่ที่ดีนะเพราะคนเราเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นก็จะใช้ชีวิตแบบเหมือนกับว่างเปล่าอ่ะอยู่กับไร้สาระใช้ชีวิตตามใจยิเลยไม่ได้ฝึกฝนพัะนาตนเองแล้วก็ตายไปเราจะเห็นข้างนอกเป็นอย่างนี้การทั่วไปนะอย่างพวกโยมมาวัดถือมีบุญได้ฟังธรรมบางคนก็มีฐานะร่ำรวยก็ยะงอุตส่าห์มาถือศีลให้ทานภาวนาซึ่งต่คนข้างนอกคนข้างนอกนี่ไม่มีโอกาสเลย แล้วอย่างหนึ่งคนเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ด้วยคว า, ามตายไม่มีให้ต่อรองอุบัติเหตุหรือขึม า, าตาย ไ, ไปเลยงั้นเราต้องประมาาไม่ได้เลยเรื่องนี้อันนี้ก็คือความโลภน่ากลัวสุดเพราะว่าความโลภของมวลมนุษย์เนี่ยก็คือจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยก็คือความอยากได้อยากมีและอยากเป็นถ้าเกิดไปเข้าไปกำใจ่าใครเข้าเนี่ยคนนั้นต้องดิ้ น, นรนแสวงหาจนตายไม่สิ้นสุดมากินเหล็ตัวอื่นทีนี้มาความโกรธมากพวกโยมก็คง จะเคยได้ยินนะว่าขอให้ผ่านวันนี้ให้ได้สิบปีร้างแท้งยังไม่สายนกสิ้ น, นเกาทางซ่อ น, นหมดกระต่ายจับหมาล่านเนื้อต้มตุน๋นนอนฟืนชิมดีขมโยงคงรู้หน้า ม, นมาพูดถึงใครสมัยยุคปลายชุนชิ ว, ชวก่อนพิษักรศร้อยเก้าสิบสี่ปี อันนี้ปลายุคคิมจีูนะก็มีเมืองเย่กับเมืองอู่สองเมืองนี้เป็นศัตรูกันชื่อเมืองเย่ก็คือโกเจียนเจ้าเมืองอู่ก็คือฟูชัยสองสองเมืองนี้ลบกันตั้งแต่พ่อจนมาถึงลูกอะลบกไปลบกมาผัดแพ้ผัดชนะมาครั้งนี้อ่ะโกเจียนลบแล้วก็แพ้ถูกจับไปเฉลยทางคุณซือ ก็ให้ยอมสอยพักเกื่อจะรอดตายตอนแรกโกจีก็ไม่ยอมโกลจีนจะฆ่าตัวตายแต่เขาปอบประโลมว่าขอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนสิบปีล้างแท้นยังไม่สายโกลจีได้คิดก็เลยยอมสอยพักอันดับแรกเขาเลยกเมสสี่ยท้ให้เป็นนามบัลเลยของฟูชายก่อนเพื่อซื้อใจแล้วก็ถูกใช้ให้ไปเป็นคนเฝ้าสุสาน เลี้ยงม้าและเวลาองผู่ชายเสด็จไปที่ไหนก็ต้องคอยลากจูงรถม้าอยู่ข้างหน้าซึ่งโกจียนได้รับความอับอายมากแต่ก็ต้องอดทนเหตุการณ์ก็ผ่านไปสามปีวันหนึ่งก็องผู่ชายป่วยหนักก็เป็นเหตุให้ทางโกเจียได้ช่องคือทางคุณซือของโกจียนี่มีความรู้ไง เขาบอกว่าโรคของผู้ชายใกล้หายแล้วให้ท่านเนี่ยไปชีบุจจระเพื่อซื้อใจเพื่อจะได้รับการปลดปล่อยโคจ้ก็ทำตามเขาไปขอชีบุจจระของผู้ชายแล้วก็บอกว่าอุจาระเนี่ยมีรสขมนเปรี้ยวเดี๋ยวก็หายแล้ว การที่ชิบุจระเนี่ยถ้าก็สื้อใจนะทำให้ออกผู้ชายเนี่ยมองว่าโกเจียนเนี่ยซื้อตรงแล้วก็คงไม่กบฏแน่จึงปล่อยให้กลับเมืองไปหลังจากกลับเมืองแล้วโกเจียนเนี่ยมีความขับแทนมากถือว่าเสียเกียรติจึงซ่องสมทหารแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเพื่อไม่ให้หรือความแท้นะก็ต้องเอาฟืนเนี่ย มากองไว้แล้วก็เอาเสือมาปูแล้วก็เวลากินอาหารเนี่ยก็เลียดีขมก่อนเลียดีก่อนเพื่อจะได้ไม่ให้ลืมไงตอนที่เป็นเฉลยแครนมากเพื่อไม่ให้เสียบสุกไงเหตุการณ์ก็ผ่านไปสิบปีก็ใช้กลยุทธ์เนี่ยเจ็ดแผนที่คิดอูซึ่งอันมาจะไม่มาเล่าเพราะว่ายาวมันมีเรื่องใสส์ทรงไซซีมีอะไรเยอะแยะหมดอ่ะเราก็จะมาเล่าแค่โกเจียน หลังจากบุกไปไปยึดเมืองอู่ได้แล้วก็บีบให้ของฟูชัยฆ่าตัวตายแล้วก็กลับเมืองฝัหลีที่เป็นกุญซือของโปเจียนเนี่ยสังเกตสีหน้าที่ราบเรียบของโปเจียนว่ามีโง่เฮงคอยาวปากแหลมเหกาอันนี้เป็นลักษณะผู้นำที่ขี่ระแวงคือร่วมทุกได้แต่รู้สุกไม่ได้ประเภทที่ว่า นกสิ้นก่ทันซ่อนพอกระตายหมดก็จับหมามาต้มตุนจึงเขียนจดหมายไปเตือนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปคุณซื้อบอกให้บอกให้ลาออกหรือกลับหนีกลับไปเถอะแต่เพื่อนไม่เชื่อคนสุดท้ายก็โดยโกเจียเนี่ยบีบไม่ค่าตัวตายส่วนฟันหลีที่ไปคุณซื้อก็หนีไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยรอดเรื่องนี้ก็จบแต่ชี้เห็นว่าอิเลสของความโกรธเนี่ย มาครั้งน่ากลัวนะมันเผาโูดจิตใจ13ปีที่โกเจี้ยนเก็บความแค้นเอาไว้โกเจี้ยนได้เป็นตำนานของประวัติศาสตร์ของจีนเลยนะแต่ส่วนมากชาวจีนจะนับถือนะว่าเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากอดทนจนประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามามองในแง่ของธรรมะเนี่ยก็จะถือว่าโกเจี้ยนเนี่ยเป็นคนที่ใจแคบคือร่วม ร่วมทุกได้ร่วสุดไม่ได้แล้วตอนที่ตัวเองได้ความอำนาจก็กำจัดคนที่รู้ความลับหมดเลยเพื่อจดตัวเองจะได้เสพสุขสบายๆไงกําจัดคนที่รู้ความหลามอันนี้ก็เป็นทั่วไปของนักการเมืองหรือคนที่มีอานาจอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วกําจัดคนที่รู้มากออกไปหมดอันนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่งซึ่งใครมีความโกรธคลองใจแล้วก็หาความสงบสุขไม่ได้ เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพื่อออกมาเป็นผู้เห็นความโกรธไม่เข้าเป็นผู้โกรธธรรมะของหลวงพ่อเขียนจึงมีประโยชน์สำหรับผู้ญาติโยมทุกคนนี่หลวงพ่อจะสอนว่าให้เป็นผู้เห็นอย่าเข้าเป็นผู้เป็นเป็นนี่มายถึงเป็นทุกอย่างนะเป็นเป็นอะไรก็ทุกหมดแหละแต่ได้เห็นจะไม่ทุกมันก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปนั้นธรรมะหลวงพ่อเขียนจึงมีประโยชน์สามารถ ให้เราออกจากความทุกข์ได้หลวงพ่เขียนก็มีผู้ดูผู้เป็นรู้ซื่อรู้ซื่อนี่ก็หมายถึงว่าขนาดที่คิดอะไรเนี่ยเราก็ไม่คิดต่อเติมไงคือเห็นแล้วก็จบไปที่เห็นอ่ะแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งเอ๊ะคนที่ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนอันนี้คือการปรุงแต่งรู้ไปซื่อละที่ดิบเบือนคือมันจบลงแค่เห็นนั่นเองธรรมจริงก็มีแค่รู้กับหลงนั่นแหละแต่ว่าที่เราต้องพูดมากเนี่ย เพราะตการสื่อให้ผู้าญิงยอมเข้าใจถ้าเราหลงเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่หลงแล้วมันก็มีคิดติดกับคิดไม่ติดถ้าโยมคิดติดก็คือติดอารมณ์ติดอารมณ์ทุกทีนี้แหละแต่คิดไม่ติดก็คือไม่ติดอารมณ์ตอให้พูดมากคิดฟุ้งซ่านแต่มันก็ไม่ติดนั้นคนที่คิดไม่ติดกับคนคิดติดจึต่างกันคนที่คิดติดน่ยทุกๆเรื่องแหละเพราะอะไรก็เป็นเรื่องจริงจังหมดอย่างอันมาพูดบาใกล้หมดเวลาเนี่ย บนทีคนพูดมันสนุกอ่ะเพิินจะเล่าที่จะเล่าอี่ี้สองเรื่องก็ไม่เวลาไม่พอก็เรามาพูดถึงการให้พรก็แล้วกันการให้พรเนี่ยคนทั่วไปมักจะชอบพรที่เป็นสีมงคลใช่แต่ทางเซนเนี่ยบดีหักดุมเลยจะมีเศรษฐีคนหนึ่งนิโมนอาจารย์เซนมาเพื่อจะมาเขียนคำรวยพรไงเพราะบ้านที่รวยมากเศรษฐีก็แก่แล้วไะ อยากให้ครอบครัวเนี่ยเจอลุกเรื้งค้าค้าขายดีโรคภัยอย่าได้ถามหาอะไรเงี้ยก็นี้โมเาราย์ารเซนมาแล้วก็เอากระดาษมาให้ผู้กันนะอาจารย์เซนก็มโจงเขียนเลยพ่อตายลูกตายหลานตายเศรษฐีแทบช็อกเลยนะรับไม่ได้บอกอาจารย์ทำไมต้องเล่นกันแรงขนาดนี้อาจารย์บอกนี่แหละเป็นพอที่ปรีมคนนะ โยมอยากให้ลูกโยมตายก่อนโยมเหรอโยมต้องไปงานศพนะอยากให้หลานโยมตายก่อนโยมเหรองั้นโยมต้องทุกข์มากเลยเสียบตาแต่ถ้ากระโยมตายแล้วลูกตายตามอายุอันนี้ถือว่าโยมก็ไม่ทุกข์ถือว่าแฮปปี้ทุกฝ่ายไงอยากครอบครัวไหนตายตามอายุนะปู่ย่าตายายตายก่อนแล้วมาพ่อแม่แล้วก็มาลูกแล้วก็มาหลาน แต่ถ้ากฎธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางทีเด็กตายก่อนก็มีตายรักชิวก็มีแต่พอที่อาจารย์เซ็นให้อจะถือว่าเป็นมงคลไงถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นนะอันมาพูดว่าก็เห็นว่าเวลาหมดยิ่พูดต่อได้ท้ไปชั่วโมงก็พูดได้เวลาหมดก็ต้องเลิกเพราะว่าถือว่าญาติโยมเนี่ยิดตังเมวันนี้คือชนะแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปฟัง หลวงพ่อไปสารต่อที่หอไตภารกิจของงานบูชาคุณหลวงพ่อเพียรก็จบลงที่อารามาอารามาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริยธรรมยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมปัญนาเอวัง